สมาธิที่เราทําทํากันอยู่เนี่ยนะถ้าจะแบ่งจะมีสมาธิอยู่3แบบแบบ1เป็นแบบผิดไม่ควรทํา2แบบเป็นแบบถูกในแบบถูกเนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบว่าถึงแบบผิดก่อนนะแบบผิดเนี่ยคือเป็นสมาธิที่คนเราเคยทํากันเยอะ เราคิดว่าเป็นเรื่องดีคือนั่งแล้วกาหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเคลิมเคลิมใจลอยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนั่งแล้วใจลอยไม่รู้ตัวเหมือนสงบเหมือนสงบนะแต่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าสมาธิไหมเขาก็เรียกกัน่ะแต่ไม่ให้ทำไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้อง ถ้าจะนั่งสมาธิแล้วเคลิ้มเคลิมไม่รู้ตัวเนยนะลองเช็คตัวเองดูนะถ้าเป็นอย่างนี้ควรปรับปรุงส่วนที่ถูกต้องที่ถูกนะมีอยู่สองอย่างสมาธิสองอย่างที่ถูกต้องอย่างแรกเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานน่าจะเคยได้ยินกันนะอย่างที่สองเรียกว่าลักขณูปนิชฌานอารัมมานูปนิชฌานคือ จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเรียกว่าเพ่งก็ได้เรียกว่ากำหนดก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรู้ตัวต้องรู้ตัว oh. ด้วยมีความรู้ตัวว่าจิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความรู้ตัวอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิใช้ได้เอาไว้พักผ่อนเอาไว้พักผ่อนส่วนสมาธิอีกแบบหนึง่งมีความรู้ตัวแล้วเห็นอารมณ์ umuz. ท, um. ท mm ีแรกเนี่ยจิตอยู่กับอารมณ์มันไหลอยู่กับรวมกับอารมณ์ แต่สมาธิอีกแบบหนึง่งมีความรู้ตัวเห็นอารมณ์ตัวหนึ่งกับไอ้ที่รู้ตัวอีกตัวหนึ่งคนละตัวกันแล้วเห็นอารมณ์ได้เปลี่ยนไปจิตไม่ไหลาตามอย่างนี้มันจะเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะของอารมณ์ว่ามันเปลี่ยนไปว่ามันมีเกิดมีดับว่ามันตั้งอยู่นิ่งไม่ได้มันมันคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยและที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะ ไม่มีใครบังคับด้วยมันไปก็มันเองมีเหตุมีเหตุมันก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่นะอย่างสมาธิอย่างนี้มีจิตตั้งมัน่นเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิตรงตามคำของคำว่าสมาธิแท้ๆคือจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดดับจึงเห็นอาการลักษณะของมัน จึงเรียกสมาธิอีกนีก้ว่าลักขณูปนิชฌานคือเห็นลักษณะตอนที่เห็นอารมณ์เนี่ยมันรู้อารมณ์เช่นดูลมลมหายใจเนี่ยนะก็รู้แต่ลมใจไหลไปอยู่ที่ลมดูเล็บอลองยกมือขึ้นมาทุกคนกำมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาดูเล็บดูเล็บสิมาดูหน้าตา ม, มาทำไม เห็นเล็บไหมตอนเห็นเล็บเนี่ยจิตไหลไปที่เล็บไหมถ้าไหลอยู่ที่เล็บนะจิตรวมอยู่กับเล็บถ้านิ่งๆอยู่กับเล็บได้เรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานเอาพอเดี๋ยวเมื่อยมือเงยหน้าขึ้นมามองตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนที่หน้าที่ใช่ไหมรู้ตัวไหมถ้าไม่รู้ตัว เรียกว่าไหลามาโดยไม่มีสติตอนดูเล็บถ้ามันไหลามาที่เล็บโดยแล้วไม่รู้ตัวเรียกว่าไหลยอย่างไม่มีสติถ้าเห็นมันเห็นเล็บแล้วนิ่งๆเป็นการทําสมาธิแบบอารัมมานูปนิชฌานแต่ถ้าเห็นเล็บแล้วมีความรู้ตัวอยู่ตัางหากเล็บก็อยู่ตัางหากตอนนี้นะมันแบ่งแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่ตรงนี้อาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะ วิธีที่ทำให้จิตตั้งมั่นครูบาอาจารย์เคยบอกแล้วว่าเราเนี่ยทาชานกันไม่ได้เนี่ยวิธีทำให้จิตตั้งมั่นง่ายๆสำหรับคนทำชานไม่ได้คือรู้ทันว่าจิตไหลไปความที่จิตไหลไปมันแสดงความจริงของจิตว่ามันไม่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นมันจะไม่ไหลเข้าใจไหมถ้ามันไหลแสดงว่าไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นเรามารู้ทันความไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะเกิดความตั้งมั่นงงไหมไม่งงนะ ตอนรู้ทันว่ามันไหลไปเนี่ยมันไม่ได้รู้อารมณ์เช่นทุกคนยกมือขึ้นมาหมายยกมือซ้ายขึ้นมากำมือยกขึ้นมาตรงตรงกำมือเอาหัวแม่มือขึ้นมาหาตัวเองด้านเล็บ้าหาตัวเองนะทำความรู้ตัวตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจเล็บสนใจตัวเองสนใจที่หน้าสนใจที่ตาก็ได้ทำความรู้ตัวของความเห็นตรงนี้แล้วไปสนใจที่เล็บ แล้วกลับมารู้ตัวใหม่แล้วสนใจที่เล็บเห็นอาการเคลื่อนไหมเห็นไหมอันนี้เป็นการเล่นเล็กๆน้อยๆนะเอาเอามือลงอมือลงเป็นการเล่นเล็กๆน้อยๆนะให้ดูการเคลื่อนของจิตว่าจิตมันเคลื่อนได้จิตไม่ใช่ว่าอะไรอะไหลไปรวมแบบเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนั้นมันไหลรวมแล้วก็เห็นเล็บเลยทันที มันไม่ม e ีความรู้ตัวขึ้นมาก่อนตอนนี้เรารู้แล้วว่าตอนรู้ตัวอยู่ตรงนี้มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนไหลไปรวมอยู่กับเล็บมีความรู้สึกอย่างหนึ่งไอ้ตอนมันไหลมาหาเล็บเนี่ยมีระยะทางรู้สึกัหมมันมีระยะทางไอ้ตอนที่มันไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นมันจากรู้ตัวตรงนี้นะแล้วไหลไปหาเล็บเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นตอนรู้การไหลของจิตเนี่ยมันรู้ที่จิต มันไม่รู้ที่เล็บเข้าใจไหมตอนรู้ที่จิตนะ่ะตั้งมั่นพอดีมีสติด้วย <c oughs> อันนี้เป็นการฝึกเล่นๆ น, นะฝึกเล่นๆให้มันรู้จักว่าจิตไหลไปทาํางานยังไงจิตไหลไปทาํางานยังไงมีลักษณะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วพอไปอยู่ในชีวิตประจําวันพอจิตพอเราเหลือบตาไปเห็นอะไรแล้วใจไหลไปหาสิ่งนั้น มันจะรู้ทันว่ามีการไหลใครใครเลยเคยอยู่ในชีวิตประจำวันและเห็นจิตไหลไปบ้างมีไหมถ้าไม่เห็นนะให้ฝึกอย่างนี้ให้ลองฝึกอย่างนี้นะแต่ไม่ต้องฝึกแบบเอาเอามือขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเขาจะงงว่าใหญ่คนนี้เกิดอะไรขึ้นฝึกแบบไม่ต้องยกมือก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินเดินไปเนี่ยหรือยืนยืนคอยอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะทาความรู้ตัวขึ้นมา แล้วมองอะไรแล้วสนใจสิ่งไหนแล้วจิตมันไหลไปหาสิ่งที่สนใจนั้นเรียกว่าเล่นกับการทำงานของจิตนะและให้รู้ว่าขณะนี้เหมือนแกล้งเหมือนแกล้งนะเหมือนแกล้งลองดูถ้าจิตมันแล่นไปยังไงมันไหลไปยังไงดูมันให้จิตมันคุ้นกับการดูการไหลของจิตให้จิตมันคุ้นนะในที่นี้น่าจะน่าจะเข้าใจเรื่องการเจริญสติว่าจิต มีราคะเป็นยังไงจิตมีโทสะเป็นยังไงกิเลสที่เกิดกับจิตเป็นยังไงน่าจะรู้กันพอสมควรแล้วมาเล่นตัวนี้บ้างมาเล่นตัวที่จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็คือมาหัดดูการไหลหัดดูการไหลของจิตเมื่อกี้เห็นไหมไม่เห็นลองดูใหม่นั่งๆอยู่เนี่ยทำกามรูปตัวอะรู้ที่ตัวเองโอ้อย่าตั้งท่าจิ <laughs> ขณะนี้นั่งอยู่ไหมรู้ตัวเองนะลองรู้เองดูแล้วพอมองหน้าตมาเนี่ยมันมาสนใจตมาเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้เจริญสติไม่ตั้งสติเอาไว้ก่อนเนี่ยนะมันรวมอยู่ที่คนพูดมารวมที่คนพูดคือไม่อยู่กับตัวเองแล้วพอคิดเรื่องอื่นนะมันก็ไม่มีความรู้ตัวคือใจมันลอยออกไปตลอดไม่มีเคยไม่เคยมีตัวรู้ตัวขึ้นมาเป็นตัวขั้นเลยว่าเมื่อกี้ ขาดสติไปเมื่อกี้ไหลไปเมื่อกี้จิตไปอยู่ตรงนู้นมันไม่มีตัวสติขึ้นมาขั้นมันจึงไม่เห็นว่าไอ้ระหว่างหลงไปนี่กับหลงไปนู้นมันต่างกันยังไงมันกลายเป็นหลงสืบเนื่องยาวๆได้ไหมตัวที่จะทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างหลงนั้นกับหลงนี้ก็คือรู้ตัวขึ้นมาก่อนเอาสติเป็นตัวตัดความหลงขึ้นมาก่อนหลงที่มันยาวๆเนี้ยนะเอาสติรู้ตัวตัวตดขึ้นมาสักทีนึงก่อนทําความรู้ตัวขึ้นมาสักทีนึง มันจะตัดได้ตอนที่มีกิเลสแรงๆหรือทำความรู้ตัวที่ตัวเองเอาร่างกายอันเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยซึ่งปกติมันก็คือที่อยู่ของจิตเป็นปกติอยู่แล้วเนนะให้มันเป็นบ้านให้มันเป็นบ้านที่น่าอยู่ของจิตบ้านนี้จะน่าอยู่เมื่อจิตเข้ามาบ่อยๆเหมือนบ้านโยมเนี่ยนะเดือนหนึ่งกลับไปทีเนี่ยนะไม่น่าอยู่เลยใช่ไฝุ่นเคลอะใช่ เข้าไปแล้วก็กูกลับและไม่เอาล้ไปเช่าโรงแรมอยู่ดีกว่าเพราะอะไรไม่ค่อยได้กลับนั้นเรากลับไปบ่อยๆกลับไปบ่อยๆเนี่ยด้วยความที่เรากลับบ่อยๆมันจะสะอาดเองเพราะเราจะทนเห็นความสกปรกไม่ค่อได้ปัดกวาดมันอยู่เรื่อยๆจิตรู้ตัวที่กายบ่อยๆกายนี้เป็นที่อยู่ของจิตกายทีเ่เป็นที่อยู่ของจิตเนี่ยเมื่อเรามารู้ตัวที่กายบ่อยๆเช่นคนไหนถนัดดูลมหายใจดูลมหายใจบ่อยๆทำความ สุขใจในการดูลมไ ม, แบบนะไม่ใช่แบบบังคับด้วยนะไม่ใช่แบบบังคับเจ้าจงอยู่กับลมห้ใจนานๆไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องนานก็ได้อยู่แวบๆอยู่แบบ อ, แบบ อ, แบบอนุ ญ, ญาตให้ออกทันทีได้ <c oughs> เข้ามาแล้วออกไปแต่ให้เข้าบ่อยๆไม่ใช่เข้ามาออกไปแล้วก็เย็นจึงจะรู้ตัวทีนึงหรือว่าพรุ่งนี้จึงจะรู้ตัวอีกทีนานไปรู้บ่อยๆ กลับเข้ามารู้บ่อยๆวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าอยากเข้าบ้านบ่อยๆก็คือเข้ามาแล้วมีความสุขในการเข้ามา <c oughs> อาตมาจะใช้เป็นอุบายเป็นอุบายเช่นคนดูลมหายใจให้ดูลมอย่างมีความสุขดูลมอย่างมีความสุขแทนที่จะดูลมแล้วรู้สึกว่าฉันกำลังปฏิบัติธรรม ความรู้สึกไอ้เขาบอกชั่นกําลังปฏิบัติธรรมเนี่ย น, นะบางทีมันสยองรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องทุกข์มากเลยแล้วก็ทําให้คํานี้เนี่ยเป็นของแสลงสําหรับเราพอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าต้องทุกข์ทรมานเอาใหม่มีความสุขในการหายใจหายใจเข้ามีความสุขไหมต้องมีความสุขสิใช่ไหมหายใจเข้า ม, มีความสุขอยู่แล้วหายใจออกมีความสุขไหม ก็มีความสุขนะแต่ตอนใหม่ๆนะหายใออกใหม่ๆเนี่ยสุขไหมสุขหายใเข้าใหม่ๆเนี่สุขแต่ถ้าหาจะเข้านานๆอีกอีกเอาอีกไม่สุขแล้วใช่ไหมอ่าหาจะออกอ่ะหายใออกเอาลองเนี่ยหาจะออกนานๆนานๆไม่ไหวละมันสุขตอนใหม่ๆแล้วเอาตอนใหม่ๆนี่แหละที่มันเข้าหรือมันออกใหม่ๆมันมีความสุขของมันอยู่แล้ว ยังไม่ต้องรีบดูทุกก็ได้เราอยากจะให้มันมีฉันทะในการรู้ลมฉันทะในการรู้ลมก็คือว่ารู้ทีไรสุขทุกทีหายใจเข้าเนะี่ยมีความสุขของมันก็คือว่าสดชื่นเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เนะี่ยจะขาดลมอยู่แล้วพอหายใจเข้าไปสดชื่นเวลาหายใจออกจะผ่อนคลายเพราะว่าหายใจเข้านานๆนนเนี่ยชักอดอัดแล้วใช่ไหม ต้องพอผ่อนออกไปเนี่ยจะรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายมันจะมีสดชื่นและผ่อนคลายอยู่ตลอดทุกลมหายใจถ้าเราจับตรงนี้ได้แล้วจริงๆเราดูลมนี่ก็มีความสุขนี่จะรู้สึกว่าไม่ต่อต้านไม่รู้สึกว่ามีคำปฏิบัติธรรมไม่ต้องไม่ต้องมีคำว่าปฏิบัติธรรมแค่มีความสุขสดชื่นผ่อนคลายสดชื่นผ่อนคลายทุกลมหายใจถ้ามันรู้สึก ชีวิตนี้มีทุกข์มากมาดูลมใช้ที่ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นที่ที่หลบจากความทุกข์ต่างๆนะที่หลบจากความทุกข์ต่างๆลมเข้าสดชื่นลมออกผ่อนคลายสบายแล้วไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับว่าจงอยู่กับลมเสมออยู่จงอยู่กับลมตลอด อนุญาตได้ออกไปด้วยออกไปได้แล้วพอมีความทุกข์ข้างนอกนะมันจะรู้ว่าทุกครั้งที่ฉันมาดูลมมีความสุขและได้ออกอีกปกติไม่ต้องห้ามมันด้วยเพราะเราอยู่กับโลกก็ต้องรู้โลกข้างนอกด้วยแล้วก็มารู้่ารมบ้างถ้าเกิดชักอะไรเหมือนเด็กไปเล่นข้างนอกบ้านแล้วก็ถูกคนโตไล่ตีมาเนี่ยร้องไห้แง่แงกลับมาหาแม่ที่บ้านเนี่ยเหมือนเป็นแม่ กลับมาหาแม่กลับมาหาแม่ที่บ้านกลับมาแล้วก็มีความสุขสดชื่นตอนหายใจเข้าผ่อนคลายตอนหายใจออก<ม>เวลาเราสูดลมในอากาศสดชื่นนะมันจะสดชื่นตอนสูดลมเข้าสดชื่นเวลาเราหนักใจอะไรนะฮ่ารู้สึกผ่อนคลาย<ม>ใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไม่ใช่เสกสารปั้นแต่งอะไรนะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราลืม เราลืมที่จะมาดูว่ามันมีความสุขอยู่นะแต่อันนี้เป็นอุบายสําหรับเริ่มต้นเริ่มต้นแต่ดูไปดูไปน่าจะเห็นทุกจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีทุกอยู่ทุกลมหายใจก็ออกนะมันไม่ใช่แค่สดชื่นและผ่อนคลายธรรมดานะที่มันสดชื่นเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันทุกที่หายใจออกเมื่อกี้นี้มันทุกพอหายใจเข้าขึ้นมามันจึงสดชื่นไอ้ที่ผ่อนคลายเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันอึดอัด พอผ่อนพอปล่อยหลงออกมาแล้วมันจึงผ่อนคลายทุกขที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะมันมีการอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆอยู่กับสิ่งใดหนึ่งสิ่งหนึ่งนานๆ น, น, นิ่งนานๆจะปรากฏว่าร่างกายเนี่ยมีทุกข์ให้เห็นแต่ทุกครั้งที่มีทุกข์เราก็เปลี่ยนทันทีแล้วก็เปลี่ยนทันทีเรียกว่ามีอิริยาบถมาปิดบังความทุกข์เราจึงไม่เห็นทุกข์ในกายสักที หรือเห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นแจ่มแจ้งสักทีจิตไม่ยอมรับว่ามันเป็นทุกข์สักทีเพราะมีการเปลี่ยนียาบทปิดบังอยู่เสมอจึงไม่เห็นไตรลักษณ์ในกายนี้ mm hmm. ลักษณะที่กายแสดงออกที่เราจะเห็นเกิดปัญญาได้คือจะเห็นกายไี้เป็นทุกข์หรือกายนี้เปลี่ยนแปลงไปเองเป็นอนัตตาเราไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าของกายนี้จริงนี่นะ เอาทุกคนนั่งในท่าที่สบายแสดงว่าเมื่อกี้ไม่สบายใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าไม่สบายเมื่อกี้นี้ไม่รู้พอบอกว่าให้นั่งท่าที่สบายทุกคนขยับหมดเลยใช่ไหมร่างกายนี้มีทุกอยู่เสมอพอขยับจึงรู้สึกว่ามีสุขแต่เราไม่เห็นเรามีการเปลี่ยนแปลงเรามีการสนใจ สนใจสิ่งอื่นลืมดูว่ากายนี้มีทุกอยู่กายนี้มีทุกอยู่เสมอแต่จะปรากฏชัดเมื่อมันอยู่นิ่งๆ น, น, นานๆระยะหนึ่งแล้วพอเริ่มมีทุกเราก็รีบเปลี่ยนมันเราจึงไม่เห็นทุกที่เกิดขึ้นในกายนี้แท้ๆจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเปลี่ยนเร็วไปเร็วแต่เราก็ไม่ได้สนใจความเปลี่ยนแปลงของจิตเราไปสนใจในอารมณ์ อารมณ์ที่มายั่วให้เราสนใจเหมือนกับดูเล็บแล้วก็ไปสนใจเล็บแล้วพอมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ไปสนใจสิ่งนั้นอาจจะไม่สิ่งที่ตาเห็นก็ได้อาจจะเป็นที่ได้ยินหรือกลิ่นที่เข้ามาหรือสัมผัสทางกายหรือใจที่คิดนึกมันไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆแต่ตอนที่ไปเนี่ยมันดับจากตัว น, นี้แล้วจึงไปเกิดตรงนู้นจะดับจากตรง น, นู้นแล้วมเกิดตรงนั้นแต่เราสนใจอยู่แต่อารมณ์ คือสิ่งที่จิตไปรู้สนใจแต่หน้าคนนั้นสนใจแต่ดอกไม้สนใจแต่รถยนต์สนใจแต่ถนนสนใจแต่ไฟแดงลืมดูว่ามันมีการเกิดดับไม่เห็นลักษณะของมันแต่ไปเห็นตัวอารมณ์สนใจแต่ตัวอารมณ์เปลี่ยนจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นู้นมันมีอารมณ์ให้ดูเยอะแยะมากมายมีอารมณ์ให้จิตไปไปเสพมากมายในโลกนี้เกิดอีกแสนกลับ ก็เสพอารมณ์ไม่อิ่มใครรู้สึกมาอิ่มในการเสพอารมณ์บ้างไหมมันเสพอารมณ์นี้อิ่มก็จริงนะแต่หิวอย่างอื่นอีกมีใครรู้สึกว่าจิตมันหิวบ้างมันหิวอยากอยากจะไปเสพอารมณ์อยากจะเสพอารมณ์อยากกินจิตเนี่ยนะเหมือนตัวอะไรตัวไดโว <c oughs> งับงับๆๆ ง, งับไปเรื่อยๆเรียกตัวอะไรนะไดโวปะ่ะ ใช่ไหมให้สังเกตสังเกตนะถ้าดูกายถ้าดูกายถ้ามันมีทุกข์ขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนอิริยาบถเห็นทุกข์ซะก่อนค่อยเปลี่ยนและทุกครั้งที่เปลี่ยนเวทนาก็จะเปลี่ยนด้วยเราจะเห็นเลยว่าเวทนานี่แหละ เป็นสภาวธรรมที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเราจะทำอะไรจะคิดนึกเรื่องอะไรจะเดินไปไหนงานของเราส่วนใหญ่จะเพื่อเวทนาทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้สุขเวทนาแล้วสุขเวทนาจะมันก็แสดงความจริงว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเหมือนลมหายใจเนี่ยเข้าทีแรกก็สดชื่น ออกใหม่ๆก็ผ่อนคลายสุขจริงแต่แป๊บเดียวสุขจริงแต่แป๊บเดียวเราก็ต้องขนขวายทำอะไรก็ได้ให้มีสุขนี้อยู่อีกไอตอนขนขวายทำอะไรก็ได้เนี่ยเรียกว่าตันหามันอยากได้สุขจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากได้อารมณ์นั้นเท่าไหร่หรอกแต่อยากได้สุขที่ตามมากับอารมณ์นั้น <c oughs> มองออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะ เวทนาเป็นตัวเป้าหมายของการทำกิจกรรมในชีวิตของเราเราเคยได้รับสุขเวทนาแล้วอร่อยอร่อยในการได้เวทนานั้นอยากได้อีกแล้วโลกก็มีความสุขมีอร่อยอันเนี้ยอยู่บ้างแล้วทุกครั้งที่ได้รับความสุขมันก็ไม่ได้มีสุขอย่างเดียวมีทุกข์ด้วย ไอตอนที่ได้รับคำสุขเนี่ยก็อยากได้อีกอยากสุขอยากได้สุขนั้นอีกแต่สุขนั้นก็ดับตอนได้ทุกข์เราก็อยากจะให้ทุกข์นี่พ้นไปอยากจะเปลี่ยนจากสภาวะตัวนี้ให้หายไปไปหาไอ้สุขเมื่อกี้นี้ใหม่กิจกรรมที่เราทําก็คือทอํายังไงจะได้สุขเสมอไปเสมอไปสุขนิรันดรสุขนิรันต์สุขนิรันต์แล้วก็มันมีความจริงอยู่เสมอว่าไม่นิรันต์ มันมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ ด, ดับไปทุกครั้งที่ผิดหวังก็จะหวังอีกทุกครั้งที่ผิดหวังก็จะหวังอีกทําอีกทําใหม่เรามาเจริญสติเพื่อเห็นของจริงอย่างนี้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเห็นความจริงของธรรมอันนี้ธรรมะความหมายของธรรมะนะอย่างกว้างที่สุดเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะนี่นะความหมายแรกของธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่าง ในบรรดามีบางอย่างอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้าไปที่ว่าทุกอย่างก็คือว่าธรรมะที่ปรุงแต่งกับธรรมะไม่ปรุงแต่งธรรมะที่ปรุงแต่งก็โอ้เยอะแยะหมดเลยใช่ไม้มธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งก็คือนิพพานนี่คือรวมหมดทุกอย่างเลยธรรมะในความหมายแรกนะกว้างคลุมหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเลยที่ อยู่นอกความหมายของคำ ว, ว่าธรรมะบางทีบางทีท่านให้ดูให้ดูความหมายในแง่นี้เรียกง่ายๆว่าธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็ไม่ถ้าถือแบบเคร่งครัดจริงๆเ น, น, นะชาติแปลว่าการเกิดมันจะไม่ครอบคลุมไปถึงนิพพานแต่ถ้าในโดยความเข้าใจของเราเนี่ยเอาง่ายๆเรียกตรงนี้ว่าธรรมชาติก็ได้หรือถ้าจะให ตรงกับศัพท์แท้ๆไม่ต้องมีคำว่าชาติธรรมะถ้าธรรมชาติมันก็จะอยู่ในเรื่องของตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งคือสังคตธรรมสังคตธรรมมีคำคู่อีกคำหนึ่งคืออสังคตธรรมสองคำนี้มารวมกันแล้วคือทั้งหมดบรรดามีธรรมะที่ปรุงแต่งและธรรมะไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมะนี่คือความหมายของธรรมะในแง่หนึ่ง อีกแง่หนึ่งคือในบรรดาธรรมะที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งเนี่ยเรามาเรียนในชุดของธรรมะที่ปรุงแต่งคือสังคตาธรรมธรรมะที่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีอาการเป็นไปของมันอาการเป็นไปของธรรมะเนี่ยนะเราจะเรียกว่าธรรมดาธรรมดาของธรรมชาติตั้งหลายมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในการตั้งอยู่และดับไปเนี่ยมันมีลักษณะของมันคือมันเป็นทุกข์จึงมันตั้งอยู่ไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ใะในการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นไปตามเหตุและปัจจัยจึงเรียกลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาธรรมดาของธรรมชาติตั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ธรรมะในแง่นี้ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกัน ธรรมะในแง่ของความเป็นไปความเป็นไปอาคารหลังนี้เกิดขึ้นมาย่อมมีการเสื่อมสลายมันเป็นธรรมดาของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแม้จะเรียกว่าถาวรวัตถุมันก็ไม่ถาวรจริงธรรมดาของไฟย่อมร้อนธรรมดาของเสียงย่อมดังไม่เป็นธรรมดาธรรมดาของมัน ธรรมดาของร่างกายอยู่มาหกสิบปีย่อมมีรอยตีนกาอย่างี้นะธรรมดาทำใจได้นี่คือธรรมดาธรรมะเหมือนกันธรรมะในแง่ที่สองคือเป็นธรรมดาธรรมะในแง่ที่สามคือถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาเรียนรู้ธรรมะในแง่ที่หนึ่งว่ามันมีความเป็นไปแบบธรรมดาคือ รู้ว่ามีธรรมะในแง่ที่สองได้ด้วยแล้วเอามาบอกต่อคําที่บอกต่อนี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมะธรรมะในแง่ของการบอกต่อเนี่มันคู่กับคําว่าอาธรรมรู้จักคําว่าธรรมะกับอธรรมใช่ไหมไอ้อธรรมเนี่ยคือเป็นคําบอกคําสอนที่ไม่พาให้พ้นทุกข์แถมๆจะพาไปหาหาทุกข์ด้วยซ้าไป คือคอยปิดบังปัญญาอย่างในสังคมสังคมใดสังคมหนึ่งนี่เป็นคำถามนะลองลองตอบไปเล่นๆนะสังคมนั้นถ้าคนดีน้อยลงคนดีน้อยลงนะกับอีกข้อหนึ่งคนเลวมากขึ้นยมว่าอันไหนร้ายแรงกว่ากัน ใครว่าคนดีน้อยลงร้ายแรงกว่าหนึ่งสองสามสีหาเจ็ปเก้าสิบอ่าใครว่าคนชั่วมากขึ้นร้ายแรงกว่าดูจะมากกว่านิดหน่อยอาตมากักตัวเลือกไปอีกตัวหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนคือสังคมไหนมีคนดีน้อยลงก็แย่นะ สังคมไหนมีคนชั่วมากขึ้นก็แย่นะแต่สังคมไหนแยกไปออกระหว่างความดีความชั่วแย่มากเลยมันละเลงปัญญาซะจนงงไปหมดเลยว่าอะไรดีอะไรชั่วมันงงไปหมดหาเหตุผลมาอ้างจนจนงงไปหมดเลยชั่วคืออะไรดีคืออะไรแยกไม่ออกสังคมที่แยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่ว น่ากลัวมากเหมือนถ้าเราบอกว่าจะเจริญสติมองไม่ออกเลยว่ากิเลสเป็นยังไงแย่นะใช่ไหมมันจะปฏิบัติไปไม่ได้เลยมันมองไม่ออกเลยอปันนาการปิติปทาไม่เกิดเลยใช่ไหมเพราะมีกิเลสขึ้นมานึกว่าดีมีความโกรธขึ้นมาใช่สะใจกูใช่ไมใช่ไม่ได้เลยมันจะไม่มีไม่มี ไม่มีธรรมะในส่วนที่เว้นโทษได้เลยมันจะมีแต่โทษโทษโท ษ, โทษตลอดนั้นสังคมที่ที่รู้ดีรู้ชั่วก็จะมาจากคนบุคคลผู้เลิศสักคนหนึ่งมาชี้ให้เห็นระหว่างธรรมะกับอธรรมแล้วก็ไม่ต้องไปปราบคนชั่วแค่ให้คนดีมีอำนาจในการในการปกครอง อย่างในสังคมคนทั่วไปก็ขอให้มีคนดีขึ้นมาปกครองในสังคมพระก็ไม่ต้องให้พระทุกองค์ดีเลิศประเสริฐไปไปสมตุตพระที่ไม่ดีก็มีแม้แต่ในยุคพุทธกาลในยุคพุทธกาลมีพระที่ต้องป ร, รารชิกไหมมีมีพระที่สังฆธิเศตไหมมีมีพระถูกทรนีสูบไหมมีชั่วมากใช่ไหมตั้งถึงถกทรนีสูบใช่มก็ก็มีแต่ให้มีพระที่ ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลคณะสงฆ์อันนี้เรียกว่าอธิบายในแง่ของธรรมะที่ตรงข้ามกับอาธรรมธรรมะที่ตรงข้ามกับอาธรรมได้จะมีขึ้นมาได้ก็เมื่อเมื่อมีบุคคลเหมือนอย่างที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาตัสรู้ธรรมตัสรู้ธรรมคือรู้ธรรมทุกทุกอย่างบรรดามีว่ามันเป็นไปเป็นธรรมดา นะรู้ทำสองแง่เลยนะรู้ธรรมะในทุกๆอย่างแล้วว่ามันเป็นไปตามธรรมดาแล้วเอารมความรู้นี้มาสั่งสอนสั่งสอนให้แยกแยกได้ว่าธรรมะกับอธรรมทางทางหนึ่งดำเนินไปเพื่อรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทางทางหนึ่งเป็นไปเพื่อความงมงายไร้สาระวนเวียนยในวัตะสงสารเรียกว่าอธรรมการบอกสอนอย่างนี้เรียกว่า ธรรมเนะทศนาทำอีกแง่นหนึ่งนะนะอีกแง่นหนึ่งแล้วธรรมะอีกแง่นหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆธรรมะมีหลายแง่อีกแง่นหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเราแง่แรกธรรมะคือทุกๆอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแง่ที่สองคือความเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่านะมันเป็นไปยังไงเรียกว่าธรรมดาแง่ที่สามคือธรรมเทศนาคือ เมื่อมีผู้รู้จริงมาบอกว่าทำอย่างไรเราผู้โง่เขลาเนี่ยจะเข้าใจความเป็นธรรมดาของธรรมะเหล่านั้นเมื่อเรียนแล้วก็เอามาปฏิบัติคนไทยจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าภาษาบาลีที่มันตรงมากกว่านั้นหน่อยเรียกว่าธรรมะปฏิปทาเอาธรรมนั้นมาปฏิบัติเรียนรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลาย จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนสิ่งเหล่านี้มีผู้เห็นตามผู้เห็นตามเรียกว่าสาวกสงสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ความจริงของธรรมะเหล่านี้จากปัญญาของพระองค์ที่ถ่ายทอดมาปัญญานั้นไม่ได้หวงว่าเป็นของใครพอท่านรู้แล้วท่านก็บอกต่อรู้แล้วท่านก็บอกต่อการแสดงความรู้นั้นออกมาเรียกว่าธรรมเทศนา เรารับรู้รับฟังธรรมเทศนานั้นแล้วถ้ายัางฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจนั่งยิ้มแป้นแลนอยู่ธรรมนั้นไม่ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรกับบุคลลบคลทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเมื่อรับฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติเห็นจริงตามที่พระองค์ทรงแสดงเกิดความรู้ความเข้าใจการนาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ให้เกิดรู้จริงเห็นจริงในจิตของแต่ละคนตรงนี้เรียกว่าธรรมปฏิปทาคนไทยเรียกว่าปฏิบัติธรรมตรงนี้จะทําให้เรามาเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายมีธรรมดาอย่างนี้ธรรมทั้งหลายมีธรรมดาอย่างนี้ธรรมธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้เห็นธรรมหนึ่งในผู้เห็นธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาชิกสมาชิกในหมู่สง์ สาวกของพระพุทธเจ้าสงสาวกของพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาห่มจีวอลอย่างนี้ไม่ต้องมาโกนหัวเป็นครวาดเป็นอุบาศกอุบาสิกาอย่างนี้ถ้าฟังธรรมที่แสดงธรรมดาของธรรมทั้งหลายแล้วเอาไปปฏิบัติเกิดความเข้าใจในธรรมว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นจริงๆนี่นะเราก็ได้เป็นสมาชิก มีคุณสมมีคุณสมบัติพอที่จะเป็นเมมเบอร์เมมเบอร์ในคลับที่จำกัดเฉพาะผู้ที่มีปัญญาเท่านั้น mm hmm. ปัญญาคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นธรรมดาอย่างนี้ <laughs> เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเราคิดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วจะผิดธรรมดาคำในยุคใหม่น่าสนใจมากซื่อ ให้รู้แบบซื่อๆพอตั้งพอคิดว่าจะปฏิบัติทำทีไรเราจะไม่ค่อยซื่อจ ะ, จะแข็งขึ้นมาจะมีการปรับตัวที่มันผิดธรรมดาพอมันผิดธรรมดามันจึงไม่แสดงธรมมมธรมดาให้เห็นพอไม่มีธรรมดาให้เห็นก็ไม่เกิดปัญญาเห็นธรรมะได้เพราะเราปกปิดมันซะแล้วด้วยการประคองเอาไว้ปั้นแต่งปรุงแต่งอะไรขึ้นมาไว้มีปะกระดาษเป็นเ ป, น เ, ปเปอร์มาเช่เปเปเปเปเปเปเปเปเปเป ไม่เห็นของจริงนั้นสิ่งที่พึงระวังก็คือว่าอย่าไปปิดบังธรรมชาติที่แท้จริงด้วยการคิดว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรที่ผิดธรรมดารู้ไปเลยอย่างเช่นบอกว่าเอานั่งตามสบายในท่าที่สบายที่สุดแล้วรู้ไม่ว่าเมื่อกี้นี่มีมทุกข์ขึ้นมาจึงมีการเปลี่ยนตัว ม, มีการเปลี่ยนท่าขึ้นมาอะย่างงเทุกข์มีอยู่เสมอในกายของเราจะเห็นเมื่อไหร่ จะเห็นเมื่อเรานั่งนานๆเห็นเมื่อเรานั่งนานๆความจริงมีอยู่นะแต่มันจิตเราไม่พร้อมที่จะเห็นจิตจะพร้อมเห็นความทุกข์ทางกายเมื่อมันทุกข์เยอะๆต้องทุกข์เยอะๆจึงจะเห็นพอเริ่มเยอะขึ้นมาเปลี่ยนซะอีกแล้วเปลี่ยนซะอีกแล้วท่านจึงบอกว่าอิริยาบถปิดบังทุกข์อะไรปิดบังตัว ตัวเกิดดับสันตติความต่อเนื่องความสืบเนื่องเพราะจิตเกิดดับเร็วปิดบังความไม่เที่ยงจิตเกิดดับเร็วเราทําให้รู้สึกว่ามันต่อเนื่องเหมือนไฟเนี่ย ไ, ไฟเนี่ยเกิดดับเกิดดับดับแต่มันถี่มากเราจริ้งลึกว่ามันสว่างสว่างยาวไม่มีการเกิดดับแต่จริงแล้วมันเกิดดับอยู่เสมอจิตนี่เหมือนกันเกิดดับอยู่เสมอจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์แล้วก็ดับไป เป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งค่อยเกิดนะไม่ใช่เกิดซ้อนกัน2ดวงเป็นจิตแฝดไม่มีนะไม่มีเปนจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเซอวอารมณ์เกิดกิเลส ด, ดับไปเป็นเหตุให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสซอวอารมณ์อาจจะมีสติก็ได้เด้ออาจจะเกิดกิเลสก็ได้จะมีสติก็ต่อเมื่อเห็นว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตหรือเมื่อกี้นี้หรือตอนนี้หรือตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับกาย <S <S <úng> เรียนธรรมดานะเรียนเรื่องธรรมดาไม่ต้องไปปั้นแต่งอะไรมาก ฟ้าใสแล้วพร้อมพอที่จะแบ่งบุญกุศล